หมอคะหมอเพืนนางสีลาเอ้ยจะ ว, วิ่งพาสายผลไปทําไมล่ะลูกเดี๋ยวหมอเขาก็กลางลมมาเองน่ะแหละหมอคะสวัสดีคะ่ะอสวัสดีสีลาขอบคุณนะจิ้สาวิ่งมาต้อนรับผมอะไม่เป็นไรหรอกค่ะหมอหมอคะเร็วเถอคะค่ะคนเจ็บจะตายอยู่แล้วสีลาจ้าพี่สุเวคนเจ็บจะตายยังจ้าพี่สุเวอยากให้คนเจ็บตายหรือเปล่าล่ะไม่หรอก ถ้ายากให้เขาตายพิคมไม่วิ่งไปตามหมอถึงในเมืองหรอกรู้ไหมนายสูเวน่ะเป็นผู้ชายที่สมควรยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่งฉลาจิตใจชงดงามซะเหลือเกินสมแล้วที่เป็นลูกของพระเจ้านับว่าเป็นบุญของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์บนดอยม่สิงแห่งนี้หมอยกย่องพิสุเวนมากเกินเหตุหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆนะสีลาคนได้ยิงสูเวสมควรได้รับการยกย่องจริงๆจะมีสักกี่คน ที่เสียสละตัวเองได้มากมายขนาดนี้คงจะหาไม่ได้ง่ายๆหรอกครัหมอหมอว่าดีก็ดีค่ะแต่ว่าตอนเนี้หมอได้ขึ้นไปรักษาคนเจ็บเถอะค่ะเขาเสียเลือดเยอะมากเลยเสื้อผ้าที่ปื้นเลือดเน่ยชินเปลี่ยนใหม่ให้เสื้อตัวที่เปลี่ยนใหม่ก็เปื้อนเลือดอีกแล้วละค่ะครับหมอที่ขึ้นไปดูนี้แหละครับ ฝนก็ตกหนักซะเหลือเกินเอ อ, เออหมอหมอหมหนายลืมหน่อยนะครับ <c oughs> เออระวังรังหน่อยครับเวันดีครับพ่อเท่าเออวัน ด, ดีวัน ด, ดีรีบเข้าไปดูอาการคนเจ็บเถอะตะกี้เนี่ยยังร้องโอดชวนอยู่เลยแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วเป็นลมไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้เข้าไปดูมัวแต่ดีใจที่เห็นรถหมอมานีแหละครับผมจะเข้าไปดูอาการคนเจ็บเดู๋นี้แหละครับครับครเชิญเๆๆเชครับคุณหมอ ใจมากนะพี่สุเวขอบใจาทาไมอะ่ะก็ขอบใจที่พี่วิ่งไปตามหมอมารักษาหนุ่มกรุงคนนี้สิพี่ก็ทด้วยความเต็มใจไม่ได้หวังผลอะไรฉันเข้าใจฉันถึงได้ขอบใจพี่ยังไงเลยจ๊ะแล้วศีลาล่ะฉันทาไมหรอศีลาช่วยอะไรคนหนุ่มคนนั้นเขาบ้างก็เช็ดตัวให้เขาอะ่ะเช็ดตัวให้เขาเหรอจ้าทำไมหรอพี่มิจัยฉันทาให้เขาหรืองไงเปล่าเปลไม่มีอะไรอะ่ะแน่นะ แน่ไม่มีอะไรจริงๆแล้วทําไมตะ ก, กี้นี้ต้องทําเหมือนตกใจด้วยล่ะก็แค่รู้สึกว่าพ่อหนุ่มคนนั้นนะ่ะได้รับการดูแลจากเธอดีเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกนาะฉันก็ทําตามที่พ่อสั่งเท่านั้นเองพ่อสั่งเหอจ้าไม่ทําก็อะไรอยู่ก็เข้าเจ็บมาอย่างงั้นน่ะเสื้อผ้าก็เหม็นข่าวเลือดฉันทนไม่ได้หลายครั้งเกือบจะอ้วกแล้วอพี่สูเวคิดอะไรอะ่ะเปล่าแน่นะ เปลาไม่มีอะไรอยู่แล้วดีแล้วที่ไม่คิดมากไม่ว่าจะยังไงอ่ะฉันก็ไม่ชอบคิดหน้าหนุ่มบางกอก น, นั่นหรอกเหมือนใ้จะตายไปถ้ายเยอะมากเลยก็ดีแล้วล่ะเรารีบขึ้นไปเถอะเผื่อหมอต้องการอะไรจะได้ช่วยหมอได้ไงจ้ะพี่ไปเถอะจ้ะ คุณเป็นยังไงบ้างาใครน่ะใครอ่ะหมอไงหมอเข้ามาช่วยอ๋อหมอช่วยผมด้วยนะหมอช่วา่าผมไปจะที่นี่โด้เร็วที่สุดเลยพาไปเดี๋ยวนี้เลยนะหมอไปสิครับหมอไปสิปวดอ่ะปวดแล้วเกินนะปวดจะตายอยู่แล้วหมอคอนเดอร์รันบอกว่าไม่ให้ขยับก็ขยับอยู่นั่นแหละแบบนี้สมควรตายแล้วล่ะนี่เทย์แล้วลเอทย์ทํามาเจ้าหน้าชั้นทำไมา มีปัญหาเหรอเฮ้ดยที่หมอรีบพาผมออกไปจากที่นี่สัทีสิครับหมอคุณเดี๋ยวผมผมแทบคุณแทบครับครับหมอคุณยังเดินทางไปไหนไม่ได้นะครับอ้าทำไมอะฮะเพราะว่าคุณเสียเลือดเยอะหมอต้องรีบทําการผ่าตัดเอากระสุนปืนออกแล้วก็ดูเหมือนจะต้องให้เลือดด้วยครับให้เลือดเอะให้เลือดต้องให้เลือดด้วยเหรอคะหมอครับไม่งั้นคนเจ็บอาจจะตายได้เพราะร่างกายขาดเลือดครับแล้วฉันจะให้ได้ไหมคะผมให้ได้ไหม พ่อเท่าเลือกกรูปอะไรล่ะครับเออของผมกรุป A B ครับของหนูก็กรุป A B ค่ะงั้นเดี๋ยวนะหมอเขาตรวจกรุปเลือดของคนเจ็บโกรธนะะครับหม อ, อตกลงว่า ควานุ่มเลือดกรุ๊ปอะไรล่ะครับเลือดกรุ๊โอครับพ่อเท่ากับคุณศิลาคงใจเลือดไม่ได้แต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับต้องผ่าตัดเอากระสุนฝั่งได้ออกซะก่อนถ้าตอนผ่าตัดเสียเลือดไม่มากก็อาจจะไม่ต้องขอเลือดใครก็ได้ครับอืภาวนาให้ไม่เป็นอะไรเถอะคะ่ะอา้าวในใจไม่ได้แช่ฉันไว้อ่ะเนี่ยใช่ฉันใช่คุณตายใบไวเพราะปากเสียงคุณนั่นแหละนี่ืึหมอพอผมจะที่นี่เดี๋ยวนี้นะหมอ หมอทำตามความพอใจของคนเจ็บไม่ได้หรอกครับผมเจ็บผมมีสิทธิ์สั่งนี่ฮะแต่ถ้าคุณเกิดตายระหว่างทางญาติพี่น้องคุณจะฟอ้องร้องเรขาเสียหายจากผ ม, ม <ะ S 1> ได้โถ่ผมยืนยันได้นะนี่คุณอย่า ง, ง้อไปหน่อยเลยนะ้าตอนนั้นน่ะคุณก็ตายไปแล้วคุณจะยืนยันยันยงไงแ้วคิดว่าตัวเองตายแล้วจะต้องเป็นผีเพื่อชดใช้กรรมอย่างนั้นเหรออืมเธอพูดมากทํามาคุณจะทำอะไรฉันไม่ทราบขยับตัวมากๆนะเดี๋ยวลูกจะได้ตกใน จะได้สมใจนึกที่ฉันแช่งเอาไว้นะเถอบเอ า, เอาล่ะอครับคุณทนหน่อยนะเดี๋ยวหมอจะฉีดยาชาให้แล้วทำการผ่าตัดเอากระสุนฝังไั้นออกเลยนะครับครับหมอเร็วๆนะฮะผมจะได้ปะที่นี่เร็วๆนาทีนึงอ่ะเป็นที่นาใครบางคนเต็มทีแล้วฉันก็เหมือนกันเหมืนพวกคนบางกอกเหลือทนแล้วเมื่อไรจะตายตายไปสักทีก็ไม่รู้สิเฮ น, นี่เร์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 ฉัน Oh o n oh oh o oh oh oh o oh oh oh h oh o oh o n oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh o oh oh oh oh o จจัน กองรายการละครวิทยุแม่เสีเรียงที่รักนำเสนอโดยเนชั่นเ n t e r t a i เ m น n t แห้งเชนเหรอก็ใช่สิแล้วเะทาําไมกือบอ่าเอาเอาละเลิกทะเลอะกันก่อนได้ไหมหมอจะทําการผีดยาชาแล้วก็ผ่าตัดแล้ว เจ้าพ่อรูออกไปเดินที่ระเบียงนะคะอืบอกฮะ ต้องใช้เวลานานแค่ไหนใหหมอจะตอบคุณไม่ได้ต้องดูที่กระสุนว่าฝังลึกแค่ไหนแล้วก็หลายจุดด้วยนะเร็วหน่อยนะครับหมอครับหมอจะพยายามทําให้เร็วที่สุดแล้วก็เลือดให้น้อยที่สุดครับครับหมออหัวใจของคุณเต้นเ บ, นบามากเลยนะเนี่ยมีหรือเปล่ามีแหละครับเออหมอเห้นที่จะต้องเอาเลือดใครมาช่วยแล้วล่ะพาตัดแบบนี้เสี่ยงมากเลยครับเออเมื่อกี้หมอบอกว่าทําได้เลยนะแต่ตอนนี้หัวใจของคุณเต้นเ บ, นบาลงไปเยอะแล้วหน้าของคุณก็ซีดมากด้วย แล้วใครล่ะครับเป็เลือดรูปเดียวกับผมนาหมอหมอเลือดรดียวเปล่าเนี่ยเปล่าครับ อ, าอ้าวแล้วผมจะทำยังไงอะฮะเออพ่อเท่าช่วยระดมชาวบ้านมาช่วยหน่อยได้ไหมก็ได้ครับได้ได เ, เดี๋ยวครับอไม่อะไรแล้วสูเวเอาเลือดของผมใหครับอา้าวสูเวในนะเลือกรุปโอ๋ล่ะครับเลือดผมกรุปโอครับเอาผู้เลือดผมให้เขาฮนะแต่สูเวเหนือมากนะไม่เป็นไรหรอกครับผมทนได้คุณยังแข็งแรงอยู่นะครับ ผมไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเมื่อยอะไรเลยนี่พี่สุเวไปช่วยเขาอีกทำไมอ่ะไม่ได้ยินหรือไงเขานี่ยดูถูพวกเราจะตายไปอยากจะไปจากที่นี่ให้เร็วๆถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเขาตายซะเลยจะดีไหมอไม่เอาลูกเอ็งอย่าพูดแบบนี้นะพระเจ้าทรงโกรธเอานาะกูฉันหมั่นไส้เูยนี่พ่อเอ้ยหมั่นไส้ยังไงก็พูดออกมาไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าขอโทษจะพ่อเออแล้วสูเวละ่ะ ทำไมหรือพระเท่าเอ็งแน่ใจนะว่าไหวจริงๆนะเอ็งเหนื่อยม า, มากแล้วนะไหวจ้าเอ้าหมอลองดูเจ้าซูเวยมันยืนยันว่าไหวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วหมอครับถ้า ง, งั้นเชิญซูเวยนอนข้างนี้เลยนะครับผมจะตรวจความเข้มข้นของเลือดก่อนครับหมอ เรา ไ, ได้สนุกเหรอหมอแค่ฉีดยาชาที่ฝากระสุนออกเท่านั้นเองเราเห็นหมอตทำการ่าตัดเจอรัมพ์ระวังเลือดเลอะไปหมดหมดแต่เราไม่เจ็บอะไรเลยแค่ด้เสียงใช้มีกรีตหนงดังแชะแชะเกับแสะหนังตายอย่างนั้นส่วนซูเวตอนอยู่ข้างขวาเราเขาไม่ได้หลับตามองหน้าเราเป็นระยะระยะเรายิ้มว่จริงใจมากทีเดียวก็ดีกันตอนนี้ เ, เกินก็เป็นคนวิ่งไปตามหมอรักษา ระยะทางมากกว่าห้าสิบกิโลเขาทำสำเร็จและตอนนี้เขาก็นอนให้เลือดต่อยู่ไม่สะทกสถานอะไรเลยเราจะอีกสิที่วัดอยู่เกินเหตุแค่เห็นเข็มฉีดยาก็ใทบจะเป็นลมลงเลือดของเขาค่อยๆถ่ายมาอย่างตัวในขณะที่หมอนั้นกาลังทำการข่าตัดอากระสุนออกทุกอย่างดูราบรื่นดีเราไม่รู้จะขอบใจหนุ่มชาวเขาที่ชื่อสุเวทคนได้ยังไงล่ะ